บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในกลุ่มของนิวรที่ได้แสดงมาโดยตำาดับนันมีขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติให้บุคคลดูจิตในขณะนั้นๆ ในขณะนั้นจิตมีนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นหรือไม่เราหากว่าเกิดขึ้นก็ให้รู้ตามความเป็นจริงว่ามีนิวรณ์ข้อนั้นๆเกิดขึ้นแต่เราจะเห็นว่าที่จริงกิเลสหรือแม้แต่ธรรมะ ก, ก็ต่างไม่ได้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราอย่างต่อเนื่อง ม่าจะเป็นกิเลสประเภทเดียวกันแต่ก็มีความเข้มข้นที่แตกต่างกันตัวอย่างเึิ่งสังเกตเช่นอารมณ์โกรธจึงเกิดขึ้นเมื่อกระทบกับอารมณ์ภายนอกอาจจะโกรธรุนแรงแล้วก็ค่อยๆเสื่อมไปเรื่อาจะโกรธน้อยแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วในที่สุดก็เสื่อมไปแล้วก็หายไป มันเป็นการแสดงเห็นว่ากิเลสกับจิตนั้นเป็นคนละพวกกันกิเลสเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาปรุงจิตมาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับจิตจิตจะเปลี่ยนแปลงไปมากหรือเปลี่ยนแปลงไปน้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของกิเลสแต่ประเภทของกิเลสเหล่านั้นแต่วกาจริงแก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปหรือดับไป การดับไปของกิเลสจางหนึ่งนั้นกิเลสข้ออื่นอาจจะเกิดต่อก็ได้เรืะจะมีธรรมะเกิดขึ้นมาก็ได้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของประเภทกิเลสและการเกิดขึ้นของธรรมะประเภทต่างๆนั้นก็เป็นการแสดงยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าพวกนี้ไม่ใช่จิต แต่สิ่งแต่เป็นสิ่งที่ท่านเรียกว่าเจตสิก ค, คือสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิตสร้างความเปลี่ยนแปลงของจิตไปตามลักษณะของตัวเองคือให้เป็นอย่างที่ตัวเป็นเราจะเห็นว่าท่านจึงได้บกความโกรธความโลภความหลงเป็นต้นไอ้สิ่งที่เป็นความนั้นก็คล้ายๆกับความเย็นความร้อนหรือความเค็มความหวาน หือแกเป็นสภาพทงแก่เป็นอย่างนั้นหรือ่แกไปเกี่ยวข้องกับอะไรแกก็จะทําให้สิ่งนั้นเป็นอย่างที่เกิดเป็นเช่นเราเกลือไปใส่น้ําจริงๆน้ําไม่ได้เค็มถึงเมื่อเกลือเข้าไปใส่ก็แสดงความเค็มออกมาน้ํานั้นก็กลายเป็นน้ําเค็มไปผลพวกกาเมฉันที่ทนั่นแปลว่าความรักใคร่ปอใจ หรืพยาบาทความผูกใจเจ็บความมาฆ่าพยาบาทเป็นต้นซึ่งมีลักษณะเป็นความความก็เป็นเช่นเดียวกันพตอะการเกิดขึ้นในแต่ละขณะของสิ่งเหล่า น, นั้นก็ทรงสอนให้เริ่ดรู้ตามความเป็นจริงที่ปรากฏเราก็มองเห็นโทษซึ่งการเห็นโทษนัานอาจจะดูในขณะนั้นๆก็ได้ ถ้าสมมเรานั่งสงบสมงบแล้วใครมาทำให้เราเกิดไม่พอใจเราจะเห็นว่าจิตใจมันเปลี่ยนแปลงไปไอ้ความสงบมันก็หายไปกลายเป็นความหงุดหงิดความโกรธความไม่พอใจการกระทบกระทั่งเป็นต้นก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงเข้ามันบุคคลก็จะเห็นโทษประจักษ์แก่จิตคือจะต้องมองให้เห็นโทษ พอทำไม่มองให้เห็นโทษแล้วโอกาสที่จะเปลี่ยนพยายามลดละฝันเนั้นมันก็มีไม่ได้พอทํามองใกล้ๆกับหลังคารั่วหร็อมีโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่หนึ่งเกิดขึ้นกับร่างกายอาการรั่วก็ปรากฏในขณะนั้นอาการของโรคก็ปรากฏในขณะนั้นเป็นอาการที่เราไม่ต้องการไม่ต้องการก็ต้องการจะแก้ไข ก็สืบสอบไปดูว่ารั่วมาจากไหนทำไมจึงรั่วแล้วก็หาทางแก้ไขที่จยุดรั่วลงมนเรื่องการของโรคก็มีลักษณะอย่างนั้นคือสรุปว่าเราต้องเห็นโทษเขาถ้ายัางไม่เห็นโทษความคิดเจถ่ายถอนผ่อนคลายลดละบรรเทาก็จะไม่เกิดขึ้นดังนั้นในสอนในช่วงต่อไปว่านิวรณนนั้นเมื่อก่อนมันขนาด ยังไม่เกิดในขณะก่อนเนี่ยไม่เกิดในขณะนี้เกิดเกิดเพราะเกิดมาได้เหตุอะไรกรสืบเสาะไปถึงเหตุเหล่านั้นเห็นเหตุแล้วก็มองดูว่านิวรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยสามารถสงบไปได้ด้วยวิธีใดสามารถละละไปได้ด้วยวิธีใดหรือว่าดับไปได้ด้วยวิธีใดก็ใศึกษาวิธีเหล่านั้น ซึ่งทรงใช้โครงสร้างเดียวกันทุกๆข้อแต่เพิงสังเกตว่าการเรียงตามลำดับอักษรมันก็เรียงอย่างนั้นแต่จริงเวลาเกิดที่จิตใจเราก็ไม่ได้เกิดตามลำดับอย่างนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นมาจากเหตุปจัจจัยเช่นสมมติเราเห็นรูปในชั้นแรกอาจจะเกิดการมันชันก็ได้อาจจะเกิดพยาบาทก็ได้ อาจจะเกิดเพื่อแฝงสงสัยก็ได้อาจจะเกิดความฟุ้งซ่านลำคาญก็ได้ทาไมจะเป็นจนั้นมาขึ้นอยู่กับตัวรูปที่เราเห็นในขณะนั้นถ้ารูปที่เราชอบเราก็เกิดการมา่ันถ้ารูปไม่ชอบมันก็เกิดพยาบาทถ้ารูปเราไม่แน่ใจว่าเป็นรูปใครมันก็เกิดเพลียแงสงสัยถ้ารูปบางรูปที่เคยสร้างปัญหาหแก่เรา พอเจอข้าวเราก็คิดมากมากลายเป็นอุตจกัจกขุกจักเดี๋ยวถ้าเราไม่ใส่ใจในขณะนั้นแต่ความร่างกายไม่พร้อมทีม่จะใส่ใจเราก็อา จ, จะเกิดชีนอมิตะเกิดมาแต่ในแา่ของการเรียนก็ต้องเรียนลําดับอย่างนั้นแต่ในแง่ของการปฏิบั ต, ติมันขึ้นอยู่กับการเกิดของสิ่งเหล่านั้นในแต่ละขณะ ประเด็นสาคัญก็คือให้รู้ตามความเป็นจริงเท่าที่นิวรณ์แต่ละข้อปรากฏแก่จิตในแต่ละขณะแล้วก็สืบสอบไปถึงต้นตอที่มานะครับในกรณีของวิจิกิจชาซึ่งเป็นอาการของโมหะที่เราแปลว่าความหลงโมหะกับอวิชานั้นเป็นอย่างเดียวกันอวิชชาแสดงอาการออกมาแนวเดียวกับวิจิกิจชา แตเพียงแต่ว่าความเข้มข้นรุนแรงมากกว่าและยังเรียกว่ า, าวิชาแต่เพียงแ่เครือบแรลงสงสยัยไม่แน่ใจแต่ัดสินใจลงไปไม่ได้ว่าอะไรเป็นอะไรกันแน่นั่นก็เรียกแค่วิจิกามันลักษณะเป็นทางสองแพรง่งคือมาของกระจเห็นทั้งสองทางแต่ไม่แน่ใจว่าทางไหนแต่ส่วนอวิชานะั้นมันมืดไปเลยคือไม่เห็นอย่าง มันก็กลายเป็นความไม่รู้แต่พอเห็นสองทางก็เกิดไม่แน่ใจว่าไปทางซ้ายหรือทางขวาอันน้จริงก็คืออาการไม่รู้นั่นเองเพราะถ้ารู้ไม่ต้องไปสงสัยก็ไปได้เลยฉนั้นจิตใจก็เป็นเช่นกันตัวการสําคัญที่เป็นเหตุเกิดนั้นที่จริงก็มีอยู่มากแต่ตัวการใหญ่ท่านเน้นในขณะประสบอารมณ์ เห็นร <eller, S 1> like ูปฟ <ho ang S 1> <Thailand. S 2> ังเสียงดมกลิ fik, ่นลิ้มรสถูกต้องเย็นร้อนอดแข็งหรือตรึกนึกถึงอารมณ์ต่างๆมันสังเกตว่ามีรูปบางรูปหรือแม้ได้เสียงมาเสียงก็เบือนกันที่เราเห็นในครั้งแรกนั้นที่จริงแล้วมันจะเริ่มจากไม่รู้คือเป็นอวิชชาไปก่อนพอต่อจากนั้นความสนใจใครรู้จะเกิดขึ้นแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็เกิดสงสัย ถ้าสงสัยจะมีการเพ่งพินิจมีการตรวจสอบมีการทดลองมีการสอบถามหาความรู้ในเรื่องเหล่านั้นกันด้วยวิธีการต่างๆมันก็ค่อยๆไปจัดความไม่รู้ออกไปค่อยๆไปจัดความเครือบแค่งสงสัยออกไปถึงจุดเดิมมันก็กลายเป็นความรู้แต่ก็เป็นความรู้ในระดับใดมีความลึกซึ้งได้ขนาดไหนข้อนี้ผมสังเกตว่าเรื่องบางเรื่องเราก็รู้มาตั้งแต่เด็กๆ แต่พอโตขึ้นมารู้เพิ่มขึ้นก็ในเรื่องเหล่านั้นแหละแต่เป็นความรู้ที่เพิ่มขึ้นมีความละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้ น, นแลียเข้าใจทั้งในแง่สมมุติแล้ก็แง่ของปรมตได้มากขึ้นสามารถทําใจได้เวลาสิ่งเหล่านั้นมันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของมันเป็นต้นนี่ก็คือลักษณะาการเรียนรู้ที่มันมีความลึกซึ้งบุกไปยิ่งรู้ได้มากเท่าไหร่จะขจักกิเลสได้มากเท่านั้น หลการสําคัญในทางพุทธศาสนาตัวรู้จะต้องขจัดกิเลสได้ถ้าขจัดกิเลสไม่ได้ท่านยังไม่ถือว่าเป็นผู้รู้หรือเป็นความรู้อาจจะเป็นความสลาดในสินะปะเครื่องเลี้ยงชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งท่านก็เรียกเราทํานไม่เรียกวิจาหรือไม่เรียกว่าปัญญาเราถึงไม่เรียกว่าญาณเพราะจากอาการเหล่านี้ที่จริงก็เป็นอาการที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติตั้งแต่ พระเจ้าก็ทรงชียเห็นว่าความเคลือบแครงสงสัยไม่แน่ใจที่ปรากฏออกมาในลักษณะต่างๆนั้นเกิดขึ้นจากการไม่ใช้ปัญญาเพ่งปินิพพิจารณาโดยอุบายแยบ่ายก็โดยรวามมีเหตุมีผลปัญหาสำคัญว่าเราเคลือบแรลงสงสัยในเรื่องอะไรที่เราสงสัยในพระพุทธเจ้า เราก็ต้องใช้ปัญญาพพินิษพิจาณาที่องค์พระพุทธเจ้าและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าไม่ใช่เอาตัวเราเข้าไปตัดสินเองเพราะเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเพราะเมื่อเราใช้ปัญญาพินิพิจารณาสอด ส, ส่องไปที่เรียกว่าโยนิโสมณสีการคือการทําไว้ในใจด้วยบาญแกยกข่ายส่วนหนึ่ง แล้วก็อาศัยศรัทธาได้มั่นคงจนหนึ่งเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาตรวจสอบได้เข้าใจได้เราสามารถกระจัดความเครืบแนแปรสงสัยออกไปได้เพราะลักษณะของศรัทธาก็ดีลักษณะของปัญญาก็ดีนั้นเป็นพวกแสงสว่างความเครืบแนรปงสงสัยนั้นเป็นลักษณะของอากาศที่ขมุ ข, ขมัวคือไม่ถึงกับมืดตึ๊ดตือเลยก็พอเห็นอะไรอยู่แต่ก็ไม่เข้าใจอะไรชัดเจน รัฐานั้นมีลักษณะน้อมใจเชื่อคือให้ความสำคัญแก่บุคคลผู้นั้นตอนนองคล้ายๆกับเราไปหาหมอเนี่ยมหมอให้ยามาบอกว่ารับประทานอย่างนั้นอย่างนั้นเราไม่เคยเห็นผลของยาแต่เราเชื่อหมอ องการรับประทานยาในขณะนั้นที่จริงแล้วมันเกิดจากศรัทธาแล้วก็ผ่านปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาสอด ส, สอ่องยอมรับรู้ว่าท่านเป็นหมอแล้วก็ให้ยามาแล้วก็กินไปการรับประทานยาจึงเกิดขึ้นจากความเชื่อที่ผ่านปัญญามาระดับนี้แต่บางอย่างเป็นเรื่องปัจจจตังคือเรารู้ได้ด้วยตัวของเรา จะเราเคยเคยปวดหัวปวดท้องแล้วเรากินอะไรหายพอเกิดอาการอย่างนั้นขึ้นมาเราก็กินสิ่งนั้นอีกมันก็แก้ได้นั้นแสดงว่าเกิดประจักษ์สัมผัสของเราคือปัญญาได้ผ่านระดับภาวนาไมยะปัญญามาแล้วคือลงมือลงมือประพฤติปฏิบัติจนสัมผัสปวดมาแล้วแต่จริงนี่ก็เป็นขั้นตอนที่สองซึ่งเราเคยอาศัยความเชื่อมาก่อน แต่ตอนแรกๆเรา ก, ก็อาศัยความเชื่อมาก่อนก็ถึงตอนที่สองก็อาศัยปัญญาเป็นหลักในขั้นแรกก็อาศัยความเชื่อเป็นหลักปัญญาก็เข้าสนับสนุนพอนในช่วงที่สองก็มีปัญญาเป็นหลักสัพพาก็เป็นฐานเป็นตัวสนับสนุนปัญหาสำคัญที่เกิดความเครียดแล ง, งสงสัยมากยิ่งขึ้นก็คือว่าเวลาไปคิดวินิจฉัยตัดสินสิ่งทั้งหลายนั้นพึงสังเกตว่า ถ้าเรามองโดยสรุปเราจะตั้งปัญหาว่าใครใครนั้นตั้งปัญหาได้สองคำคือได้คําตอบสองคำว่าใครก็คือเราใครก็คือคนอื่นถามว่าอะไรก็คือสิ่งนั้นๆสถานที่นั้นๆหรือแต่เราเปนประเทศนั้นๆเมืองนั้นๆต้นๆก็คือสิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจนั่นเอง แลนัก เ, เครื่อแนแปรสงสัยในเรื่องอะไรก็ต้องใช้ปัญญาพินิษฐ์พิจารณาในสิ่งนั้นแล้วกเกี่ยวกับระบบกฎเกณฑ์ของสิ่งนั้นยกตัวอย่างเช่นเราเครื่อแนแปรสงสัยในเหตุการณ์ปรอวัติศาสตร์ว่าทําไมคนสมัยนั้นจึงทําอย่างนั้นทำไมจึงทําอย่างนี้ม่นน่าจะทําอย่างนั้นวิธีการคิดรเราเราคิดจากปัจจุบันจากข้อมูลจากสาภาพแวดล้อมปัจจุบัน แล้วก็ตัดสินใช้อารมณ์ตัวเองแทนที่จะใช้อารมณ์ท่านซึ่งท่านอยู่ในสภาพเป็ล้อมอีกอย่างหนึ่งในสถานการณ์อีกอย่างหนึ่งเงื่อนไขปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับท่านอยู่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งคือไม่ได้เหมือนเราเพราะการปฏิบัติของท่านก็ปฏิบัติไปตามสมควรแก่กรณีดนั้นแต่เราเคยชัเข้าใจท่านว่าทําไมท่านจึงต้องเป็นอย่างนั้นทําไมท่านจึงต้องทําอย่าง แต่ถ้าเราจะอาศัยเราเป็นฐานแล้วจะไม่เกิดความเข้าใจเพราะลักษณะของโยนิโสมนัสการที่ใช้เราเกิดความเคลือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าก็ต้องเอาพระพุทธเจ้าเป็นฐานในการคิดจะต้องเข้าใจพระพุทธเจ้าทั้งระบบของความเป็นพระพุทธเจ้าตลอดถึงขั้นตอนของความเป็นพระพุทธเจ้ลาลักษณะของบารมีลักษณะของคุณธรรมต่าง ที่สะสมอบรมมาจนคนพัฒนาขึ้นไปอยู่ในจุดสุดยอดของมนุษย์ก็คือการเป็นพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเร า, เราเป็นฐานแล้วนี่เราจะตีตัวเสมอพระพุทธเจ้าด้วความเคลือแคลงสงสัยในลักษณะต่างๆจิ่งทาไมพระพุทธเจ้าพระพเจ้าเดิมเกิดมาแล้วเดินด้วยประบาทได้เจดเก้านั้นไม่จริงรนี่แสดงว่าเราเราเป็นฐานเราไม่ได้เอาพระพุทธเจ้าเป็นฐาน พระพุทธเจ้านั้นได้บำเพ็ญพุทธการะบารมีธรรมมาการเดินรดประบาทได้เจดเก้านั้นเป็นขนอย่างหนึ่งที่แสดงออกซึ่งความสมบูรณ์แห่งบารมีธรรมที่จะเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระเจ้าจากภารกิจนี้เงื่อนไขของเขาเองเพราะ น, นถ้าเรามองจากจุดนี้ขั้นตอนของความเป็นพระพุทธเจ้าเราไม่สงสัยหรือว่าความเครือบแคลงสงสัยในพระธรรม ตลอดถึงตัวพระธรรมผลของพระธรรมการปฏิบัติธรรมแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมพื่แง่ประสงค์ใส่ในพระสัจธรรมนั่นเองคือปริยัติปฏิบัติปฏิเพทเราก็มองที่ตัวปริยัติปริยัตินั้นมองเชื่อมโยงกับคนที่ให้เกิดปริยัติเหล่านี้ขึ้นมาก็คือพระพุทธเจ้าและพระหันตั้งหลายเพราะบางอย่างเนี่ยเราไม่เข้าใจ สติปัญญาเราไม่ได้อยู่ในระดับที่จะเข้าใจอะไรได้ทันทีทันใดแต่ก็บางอย่างเราก็มีพื้นที่จะเข้าใจได้ง่ายราะในการการเข้าใจธรรมะมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางวัสนาบา ร, รมีของเราประการเนี่ยและการศึกษาสั่งสมอบรมการคิดวินิพิจนาการวิเคราะห์ตรวจสอบในปัจจุบันนั้นประการเนี่ย บางอย่างเราจึงเข้าใจได้ทันทีก็ไ ม, ไม่ไม่สงสัยในจุดนั้นบางอย่างที่ยังไม่เข้าใจไม่ใช่ว่าธรรมะไม่ถูกแต่ว่าเราไม่ถึงเฉยๆดุสติปัญญาของเราไม่ถึงเฉยๆแต่เราก็ไปคิดว่าธรรมะไม่ถูกเพราะเราจะให้ความสำคัญแก่ตัวเองก็จะยงัยงยังคงเคลื่อนแปรส ง, งสัยธรรมะอยู่นั่นแหละแต่ถ้าให้ความสำคัญแก่ธรรมมีความเคารพธรรมจริงๆ เรไม่ใช่ธรรมะไม่ถูกหรอกแต่ว่าใจเรามันไม่ถึงสติปัญญาเราไม่ถึงเฉยๆเราไม่สามารถที่จะอย่างรู้ได้ในทุวนี้เราก็ใช้ศรัทธาไปนะทางสิกล่าวแล้วเรื่องความเครื่อนแปลงสงสัยในพระสงฆ์เราเห็นว่าพระสงฆ์นั้นที่จริงแล้วเป็นลักษณะของคุณธรรมไม่ใช่ลักษณะของรูปธรรมคือลักษณะของนามธรรมามากกว่าที่จะเป็นรูปธรรม แต่ก็สะท้อนมาจากบุคคลจะสะท้อนที่บุคคลคือตัวธรรมะนั้นสะท้อนได้ที่คนโดยเฉพาะ ย, ายิ่งคือสะท้อนได้ที่ใจในเมื่อใจท่านมีธรรมะก็สะท้อนออกมาทางอาการทางกายทางวาจาซึ่งบางทีก็ไม่ใจ่ข้อยุติไม่ใจ่ข้อยุติว่ามีธรรมะหรือไม่มีธรรมะเพราก ร, ระเพาะมีเงื่อนไขอ ย, อยู่ในความเป็นธรรมะอีกเป็นอันมากเช่นสมมุติว่า คนที่สมบูรณ์ในธรรมะเป็นพระยาบุคคลบางท่านกิริยาก็ยังกระโดกกระเดกวาจาก็ไม่ไพเราะก็มีแต่นี่เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเป็นวาสนาของท่านที่ท่านเป็นอย่างนั้นพระหานั้นท่านละได้เฉพาะกิเลสวาสนาท่านละไม่ได้เพราะคนบางคนก็เคยพูดกรมงมจงเสียงมาเป็นอย่างนั้นั้งก็เป็นอย่างนั้นนิสัยกิริยาการเคยกระโดกระเดกเปนยังไงท่านก็กระโดกระเดกอย่างนั้น แต่ว่าใจผันก็กลายเป็นใจที่มีธรรมะเพราะธรรมาฐานการปฏิบัติดีของเราเราถูกกำหนดไว้ด้วยเงื่อนไขที่ว่ า, า, า, ต, า, ต, าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างน้นถ้าเป็นอย่างนั้นจะไม่ได้มันจะกลายเป็นความเครียดแข็งสงสัยแม้ในพระอาหารหันต์เองแต่บางครั้งความสุภาพเรียบร้อยสวยงามนั้นไม่ใช่เป็นก้างเป็นเครื่องบ่งชี้ว่ามีธรรมะเสมอไปเพราะอะไรเพราะในกิเลส มีหลายข้อด้วยกันซึ่งแสดงอาการแล้วก็ดีกว่าคนมีธรรมะได้ทำไปคือพวกมายาคือเจ้าเล่สาธยะคือโอ้อวอดสาธรธมภาคือแข็งดีมานะคือการถือตัวจิตตนกิเลสเหล่านี้จะสําแดงอาการที่บุคคลอื่นสัมผัสโดยสายตาแล้วจะน่าเคารพนับถือทึ่งเฉงงหนน่าสาใจจ น, จนให้ความเคารพนับถือ ลงไหลคลั่งคลายไปในบุคคลระดันก็ได้แต่ที่จริงแล้วเป็นอาการของกิเลสเพราะนั้นมาตรฐานของอาการวินิจฉัยตัดสินบางเรื่องคือเราจะเอาประเด็นปริกงย่อยจากความคิดของเรามาเป็นเรื่องตัดสินไม่ได้เพราะนั้นก็มุ่งตรงต่อพระสังฆรันนตนาัวทํานองคล้ายๆกับเราไหวพระพุทธปฏิมาโดยมุ่งไปที่พระพุทธเจ้า เราจะเห็นว่าถ้าเรามุ่งไปที่พระพุทธเจ้านั้นพระพุทธปฏิมาไม่จําเป็นจะต้องปลูกเสกหรือไม่เสกอนุษยสามัญธรรมดาไปเสกพระพุทธรูปมันก็เกินไปเราก็ไหว้ได้ด้วยความสนิทใจไม่รู้สึกตะกิ้ตะขวงใจอะไรเพราะจริงๆเราไม่ได้ไหว้วัตถุตรงนั้นแต่วัตถุนั้นเป็นสือ่อเราลองลึกถึงพระพุทธคุณเท่านั้นเองพระพุทธคุณเกิดขึ้นภายในใจเราลองนึกถึงพระพุทธคุณได้แล้วก็ไหว้ได้ ไปจากจุดนี้ผมมาถึงพระสงค์ก็จะมีรัตนะอย่างนั้นถ้าเรามุ่งไปที่ภาษาการรัตนะเราก็ไม่บอแหววุ่นวายอะไรกับเรื่องของท่านเพราะที่จริงเราไหว้ท่านในฐานะที่เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของพระรัตนตรัยโดยเฉพาะยันเย่งก็คือภาษาการรัตนะก็สามารถจะขจัดความเครือบแคลงสงสัยด้วยปัญหาว่าวุ่นภายในใจที่เกิดขึ้นมาเพราะประรอเหตุการณ์บุคคลบางเรื่องได้ ด้วยความสงสัยในใจจิตหรือศีล ส, สมาธิปัญญาการสอนแนวศีลสมาธิปัญญานั้นเป็นการสอนในลักษณะให้ยาหมายความว่าผู้รับประทญญานยาจะต้องรับประทานยาไปก่อนและจึงจะรับผลได้เพราะฉะนั้นการเชื่อมั่นในศีลสมาธิปัญญาส่วนหนึ่งจึงต้องอาศัยถัท t h ส่วนหนึ่งก็อาศัยปัญญา แต่ปัญญาในชั้นต้นก็เพียงแต่การสับตับฟังการพินิจพิจารณาแต่การได้จะสัมผัสผลจริงๆนั้นเราก็อาจจะดูจากคนอื่นที่่ดนลงมือประพฤติปฏิบัติไปทำหลักของสีสมาธิปัญญาแล้วหรือถ้า้ดีแล้วเราก็ต้องปฏิบัติเองเช่นพระเจ้าทรงแสดงวสีนั้นสามารถส ง, งบเวรส ง, งบไข่ส ง, งบอันตรายได้ ก็ปฏิบัติตนในศีลแต่ไม่ใช่ปฏิบัติประเดี๋ยวประดาข้อนี้ท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าทรงใช้คาว่ามีศีลหมายความว่ามีก็คือมีอยู่ตลอดไปมันก็เหมือนกับมีแสงมีแสงสว่างมีศีลมีแสงสว่างแสงสว่างนั้นแสดงกระแสของไฟนั้นจะต้องเดินต่อเนื่องกันไปไม่ขาด จึงจะเรียกว่ามีแสงสว่างเพราะถ้าหากว่าสว่างมืดสว่างมืดสว่างมืดเราจะบอกมีแสงสว่างไม่ได้แต่จะ พ, พูดตามอาการที่ปรากฏในขณะนั้นบางขณะก็สว่างบางขณะก็มืดเพราะในสีเนี่ยทรงชัก็มีสีแ้ก็เหมือนก็มีแสงสว่างเป็นอาการไหลต่อเนื่องของกระแสฟไฟจึงเกิดมีแสงสว่าง ความเป็นผู้มีศีลก็หมายความมีการสำรวมวางทางกายทางวาจายอย่างต่อเนื่องจึงสงบเวนสงบไรได้แต่นั้นบางครั้งบางคราวเราก็คบว่าคนไปทำความดีลนะักษณะต่างๆให้ทานทอดประปาเป็นกุศล ส, สาธารณะตลอดถึงทั่วกรรมฐ า, านอะไรต่างๆแล้วก็ประสบอุบัติเหตุ บางคนก็เกิดความเคร่อกแกรงสงสัยว่าทำไมธรรมะไม่คุมพระโยดีโสมนัสยการจะต้องเจาะลงไปในตุดนั้นว่าตรงนั้นมันเป็นอะไรมันเป็นธรรมะหรือไม่เป็นธรรมะอุบัติเหตุนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมะอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการไม่มีธรรมะจากการขาดสติสัมปชัญญะของบุคคลผู้นั้นจากความประมาทของบุคคลผู้เกี่ยวข้องในที่เรนั้น มันถ้าเป็นกระแสไฟก็หมายความไฟดับเพราะแสงกระแสเดินไม่ตลอดสายปัญหาอันตรายเหล่านั้นจึงเป็นช่วงหนึ่งของการดับปลายแห่งธรรมะแต่ว่าก็กลายเป็นการขาดธรรมะคือขาดสติขาดสมมชญญะกลายเป็นบุคคลประมาทถ้าเรามองเห็นเป็นกระแสอย่างนี้ได้ แล้วเราก็ประพฤติปฏิบัติมีศีลอยู่สบายๆก็อย่างต่อเนื่องโดยจะเห็นอานิส ง, งส์ของศีลได้อย่างชัดเจนและจะขาจาัดความเคลือบแครงสงสัยได้มากยิ่งขึ้นแต่ก็แน่นอนอา น, นิส ง, งส์ของศีลบางระดับเป็นเรื่องที่เราคงต้องใช้ศรัทธาอยู่เพราะอะไรเพราะเหตุการณ์เหล่านั้นที่จริงยังไม่เกิดแล้วจะเกิดเมื่อไรเราก็ไม่รู้เหมือนกัน ในเ่นที่ทรงแสดงอ น, นิสงของการกระทำความดีระดับศีลธรรมจัญญาไว้ในที่ต่างๆเหมือนกันทุกแห่งทรงใช้คำมาลีก็เหมือนกันใช้ค ก, กายศายศเพดาประดมานาสุกติสกังโลกังอุปปั ช, ชติเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกไปจะเข้าถึงสุขตินั่นคือระดับศีลธรรมจัญญานั้นจะทรงใช้อย่างกัน แต่ถ้าระดับของสมาธิจะทรงใช้คำว่าพรหมโลกอุปโคโหติคือเข้าถึงพรหมโลกถ้าระดับปัญญาไปแล้วมันก็ัจะพูดว่าเป็นผู้เกิดอีกไม่เกินจิตชาติหรือผู้มาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวหรือไม่มาสู่โลกนี้อีกแล้วผู้ดับแล้วอย่างสิ้นเชิงอะไรกันแล้วแต่จะทรงประรกใคร เรื่องกหนดบ่งชี้ว่าท่านเหล่านั้นเป็นอย่างนั้นท่านเหล่านี้เป็นอย่างนี้มันก็อยู่ที่คุณภาพภายในจิตใจของท่านที่พัฒนาขึ้นไปในจุดนั้นนันเราจะเห็นว่าอนิสงส์ของศีลสมาธิปัญญาบางระดับมันก็อยู่ที่เชื่อมั่นศรัทธาที่จริงเราก็ดูผลในระดับ ชีวิตปัจจุบันได้คืออนุมานออกจากผนที่ปรากฏในปัจจุบันได้เห็นผู้รักษาศีลตายไปแล้วไปบังเกิดในสุคติเราก็ยังไม่ตายเนี่ยแต่ก็ดูขณะจิตดูขณะอารมณ์ของเราจะเห็นว่ามีลักษณะเย็นมีลักษณะส ง, งบไม่ก็มีเวรไม่มีภยัยสวรรค์ก็แปลว่าอารมณ์ที่มันเลิกเราพูดดีกับเขาเขาก็พูดดีกับเราแสดงว่าได้ฟังเสียงที่เลิก เราแสดงอาการกิริยาดีกับเขาเขก็แสดงการกิริยาดีกับเราเราก็ได้เห็นรูปที่เลิศตกลงว่ารูปเสียงกลิ่นรสผงสารที่เราสัมผัสนั้นก็จะได้สิ่งที่เลิศแม้บางครั้งบางคราวจะไม่เลิศเพราะมันเป็นโลกวัตถุเติร์จใจเราก็สงบได้เพราะจริงๆแล้วจะเลิศหรือไม่เลิศไม่ได้อยู่ที่ตัวนั้นมันอยู่ที่ตัวไหนคือคือจิตใจขับเราเอง อย่างที่ทรงแสดงปรากถึงพระอระหันต์สถานที่ที่เป็นที่ลุ่มก็าตามที่หลบเขาที่หุบเหวที่ป่ารกชัดหรือที่ยังไงก็ตามมันมันปัญหาไม่ได้อยู่ว่าสถานที่นั้นเป็นยังไงแต่ปัญหาว่าใครอยู่ในสถานที่นั้น พระอรหันต์อยู่ในสถานที่นั้นสถานที่นั้นก็เป็นที่รื่นรมแห่งใจของพระอาหารหันต์พระอรหันต์ที่จะไม่มีอิทธิพลเปลี่ยนแปลงอะไรในความรู้สึกนึกคิดของท่านสภาพแวดล้อมพูดง่วสภาพแวดล้อมบุคคลที่แวดล้อมนั้นไม่มีอิทธิพลอะไรที่จะทําให้ความสุขความส ง, งบซึ่งมีอยู่แล้วภายในใจของท่านเปลี่ยนแปลงไปแต่าสามัญชนแล้วส่วนใหญ่ก็จะใช้สภาพแวดล้อมบุคคลแวดล้อมเป็น<ๆ>ตัวกําหนดแต่จิต จิตใจเราเข้าถึงขั้นจริงๆเราก็ไม่ใส่ใจในตัวนอกแต่ว่าใส่ใจในตัวไหนคือทําใจสงบใจเยือเกเย็นได้แม้อารมณ์ข้างนอกมากระทบเราก็ไม่ไปสร้างความกะหนัดเกิดเคืองรุ่มหลงในอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์เหล่านั้นมันก็เป็นอย่างที่เป็นความสงบเราก็สัมผัสอยู่ได้อย่างต่อเ น, นื่องเพราะในชั้นนี้ จะเห็นว่ามันก็ใช้ทั้งส่วนของศรัท ธ, ธาและก็ทรงส่วนของปัญญาโดยอาศัยโยนในโสปนัสสิกานเป็นตัวอับต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสื่อต่อไป